ยาจรนกันหลายวันนี้เป็นวันต้นคนเดินสุทธาคุม2535การนจริ่มประกาศฐานได้คนใหม่ไปมีมัม้ยมีไหมตั okay. ้งแต่ไม่ทรับเลยทางหลังเอาอะไรกันเก่าหรือใหม่ก็เหมือนกันอันดับแรกต้องหาทางรับอยู่ก่อนก่อน คำว่านิวรนีแปลคือเด็ยาบที่ทรราบัญญายถอยหลังมันมีห้าอย่างคือหนึ่งกวามไฉันทะรักสวยรักงามสองปยิบาทความโกรธความไม่พอใจแลสามความง่วงคือฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ <c oughs> ทั้งหมดนี้จะระงรับได้ด้วยอนาปานสติ ในระดับแรกวิธีระงับก็ใช้อานาปานุติช่วยนั่นคือกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่หาใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่หาใจออกให้ใจเข้ายาวแลือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าขณะใดถ้าทุกท่านรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นชื่อว่าจิตสักนระงับอากอิ่ววอนได้มีสมาธิ อถ้าขณะที่รู้ลมหายใจเข้ามาันใจะลมหายใจออกอยู่คิดที่อย่างอื่นเข้ามาแทรกนั่นถึือว่าเข้าแทรกใจก็เริ่มต้นใ ห, ใ ห, ใหม่ว่าเราจะไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมดเราต้องการอย่างเดียวคือรู้ลมเข้าลมออกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ใจเข้าให้ภาวนาด้วย ให้ใจเข้านึกว่าพุทธ ใ, ใจออกนึกว่าธูอย่างนี้ก็ได้นะไมี่ภ า, าวนาไปเจออื่นใดก็ได้อย่างท่านจะสนท่า น, น, นาธรรม ะ, ะให้ใจเข้านึกว่าธรรมะใออกนึกว่าทะก็ได้คือภาวนาแล้วไม่จํากัดรวมความขณะดใดที่ทุกท่านรู้ลไม ใ, ใจเข้าใจออกก็ดีรู้ความภาวน า, วนาก็ดีเวลานั้นจิตท่านเป็นสมาธิ คำว่าสมาธมิหมายความว่าจิตหยุดจิตจะหยุดไม่คิดอะไรเลยนั่ไม่ใช่คำว่าสมาธิหมายถึงว่าการสมาธิแปลว่าการตั้งใจคือตั้งใจอยู่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอันนี้อันดับแรกเราก็ตั้งใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกตั้งใจรู้คำอวบนาถ้าจิตอยู่แค่นี้คิดว่าจิตเป็นสมาธิ สมาธิเบื้องต้นการฝึกสมาธิตอนต้นจะ ด, ดีวิเศษจริงๆทำไมไม่ได้จะเหมือนพระอาหารหันต์ไม่ได้อันดับแรกมันก็ต้องมีฟุ้งซ่านบ้างจะมันรบกวนบ้างเขาธรรมดาถ้าเราภาวนาไปก็ดีรู้เรไม่ใจก็ออกก็ดีจิตเริ่มจิตเริ่มฟุ้งซ่านถ้ารู้ตัวเราก็ยัดยังเริ่มต้นใหม่ แต่ถ้าว่ามันฟุ้งซ่านจริงๆทนไม่ไหวก็ต้องเลิกอย่าฝืนอย่าฝืนอารมณ์ถ้าฝืนอารมณ์จิตจะมีความกลุ้มมันไม่สามารถจะทําทไปปฏิบัติตามใจเราชอบได้ในเมื่อเราต้องการให้มันหยุดจากอารมณ์อื่นโดยเฉพาะลมหายใจเข้าออกไปเฉพาะแต่มันก็จะคิดเรื่องอื่นเข้าาแทรกถ้าอย่างนี้ถ้าดึงไม่ไหวก็ให้เลิกไปเลยพักซะก่อน เอาไปทำมันหลังต่อไปเวลาหลังต่อไปนี่เป็นอันดับแรกของทุกคนที่ต้องเริ่มทางสมาธิจิ ต, ตการเรียนสมาธิที่มีอะไรไม่มากที่สมาธิตั้งตั้งไว้หลายขั้นเดกันอันดับแรกเร็วขาิกาสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยแ ม, ม้ความว่าเราสามารถรู้ลงเข้ารู้ลงออกได้บ้าง ถ้ารู้ภาวนาด้วยไม่นานนักในเวลาสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีิทก็เริ่มซ่านอ่านเบี้ยอื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวเราก็เริ่มใหม่รู้ลง ใ, ใจเข้าออกใหม่ภาวนาใหม่มันก็สามารถจะทรงตัวได้ไม่นานไม่ช้านักก็เริ่มมีเรอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ที่เรียกว่าขาดนิการสมาธิ ถ้านคนที่มีสมาธิในข่าขนคณิตสมาธิจะถือว่าไม่ได้บุญนะไม่ได้เพราะสมาธิเป็นกรรมฐานเป็นการปฏิบัติในระศาสนามีอริสงสงสุดมีแค่อารมณ์คณิตสมาธิที่ทำได้ถ้าตายจากความเป็นคนสามารถจะเป็นภูมิปเทวาดาก็ได้จะลุกเป็นเทวาดาก็ได้ยังเป็นได้อยู่ แต่ถ้าบังเอิญเวลาจะตายจีตแจงท่านเริ่มอยู่ในความมั่นคงในอารมณ์โดยเฉพาะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงพระธรรมก็ดีนึกถึงพระสงฆ์ก็ดีนึกถึงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าจิตตักเฉพาะอารมณ์นั้นถือเป็นฌานถ้าตายเวลานั้นถือว่าตายไปเป็นพรม ไม่จะเป็นนึกว่าขณะสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ไ ม, ไม่มีผลไม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่ได้ต้องถือมีผลมากวันนี้ได้เท่านี้เราก็เลิกสิ่งที่ได้แล้วก็ทรงตัวอยู่ตรงนี้ทําต่อใหม่ทําใหม่ได้แค่สองสามนาทีมันก็สร้างคงไม่อยู่แล้วก็เลิกไอ้ที่ไที่นี้ได้ใหม่ก็มาว่าสะสมของเดิมของเดิมไม่ได้หายไป เมื่อสะสมตัวนันนายเข้าจิตก็เริ่มชินให้จิตเข้าถึงคณาจารสมาธิไม่นานนักคิดาว่าจะทำจิตต่อกันก็ไม่เกินสิบวันจิตที่เริ่มเข้าถึงอุปจารสมาธิเบื้องต้นคือปีติจิตเริ่มมีความอิ่มใจในการมีสมาธิจะมีความสุขใจในการสมาธิอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอุปจารสมาธิ สมาธิจะทรงได้นานกว่าเดิมเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิตอนนั้นทุกคนควรทราบว่าอารมณ์ของใจเริ่มเป็นทิพย์สามารถจะดินเสียงได้ถึงแต่ความเป็นทิพย์ได้สามารถจะเห็นสิ่งภาพที่เป็นทิพย์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเห็นภาพใป็นทิพยได้แต่ว่าภาพเป็นทิพยที่เราจะเห็นนั้นต้องเป็นภาพในที่เราไม่ตัง้งใจจะเห็น เรือกว่ามันอยู่เฉยๆจิตเป็นสุขภาพอยางนี้ก็ปรากฏขึ้นแต่ภาพอย่างนี้ท่านบอกว่าไม่ควรถือเอาทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่แน่นอนนักเราไม่สามารถจะไม่สามารถจะบังคับภาพได้เพราะภาพนี้จงอยู่ตรงนี้ภาพนั้นจงเนภาพอย่งนั้นจะไปตรงน้นอันจะบรรับไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าท่งนทราบว่าภาพนี้จิตเกิดขึ้นมืนี้ไม่เกิดขึ้น ให้าบเวลาเน้นจิตเขาตั้สมธิอุปจารสมาธิสมาธิเจ็ดฌานคือใกล้ฌานสมาบัติเป็นสมาธิในขั้นที่เขาฝึกทิพยานกันแล้วต่อไปเมื่อจิตเป็นสุขถ้ามีความอิบอิ่มากมีความเป็นสุขว่ากในการเจริญสมาธิที่เรียกวุปจารสมาธิในไม่ชาจิตจะถึงฌานสมาบัติ ที่เข้าถึงเอเสตาอารมณ์คืออารมณ์แน่วแน่เวลาที่อารมณ์แน่วแน่จะถือเอานานไม่ได้ย่าโยมนะใหม่ใม่มันได้นี่ไม่นานนัก <c oughs> ใหม่ใหม่จะแน่วแน่เป็นแค่หนึ่งนาทีบ้างสองนาทีบ้างสานาทีบ้างห้านาทีเป็นอย่างมากจิตเริ่มจับอารมณ์รู้อารมณ์ใจเข้าออกก็ดีภาวนาก็ดีก็มีการทรงตัวจิตไม่ฟังเออิม จิตมีความสุขทรงตัวมีความสบายจิตทรงอารมณ์ตรงมันหมายความว่าจิตของเราจะไม่คิดเจ้อื่นเข้ามาแทรกเรียกว่าเอกร า, ารีลมในดวงอันเดียวท่านเรียกว่าปฐมลิขานจิตในตอนนี้บรรดาญาติโยมพระตัวสัตว์จะพึงกําหนดรู้ได้และที่สักจิตนั่นก็คือเสียงภายนอก ขนาที่เราทำสมาธิดีก็ดีรู้ ล, ลง ใ, ใจเข้าออกก็ดีภาวนาก็ตามจิตมีลมแน่วแน่แตเออดีเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสแต่ทว่าเราไม่ําคาญในเสียงจิตสามารถทรงตัวได้ภาวนาก็ได้รู้ลหงใจก็ออกก็ได้จิตมีความสุขก็ได้ไม่ําคาญในเสียงที่เกิดขึ้นอย่างนี้จะเรียกว่าปฐมฌาน แปลว่าใหม่ๆมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานแต่เว่าเดี๋ยวหนึ่งทั้งสองสามนาทีเป็นอย่างมากก็เคลื่อนไปบางรายก็จะได้แค่เป็นนาทีเดียวสนาทีบ้างถ้าต้องการให้ทรงนานต้องฝึกให้มีการทรงตัวพิธีสุดที่เป็นการทรงตัวคือว่าใช้อารมณ์รู้ลมให้ใจเขาออกให้นานที่สุดให้ใจเข้าก็รู้อยู่ได้ออกก็รู้อยู่ ถ้ารู้อย่างนี้ น, นานมากเพียงใดก็ตามจิตจะสรงชาญได้มากขนาดนั้นอันนี้ เ, เมื่อติตเข้าถึงอุปจารสมาธิก่อนถงว่าะถึงชายการเห็นภาพต่างๆขอบรรดาท่านวัตถุสัตว์ทั้งหลายจงอย่าถือภาพเป็นอารมณ์เป็นการท่งตัวแต่ว่าในเวลานั้นในเมื่อจิตเริ่มเป็นทิพย์ก็สา ม, มารถเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ได้นเฉพาะบางคนนะ มีเสียงที่เป็นทิศได้เฉพาะบางคนบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีเอ้เสียงที่เป็นทิศที่บางท่านกลัวก็คือเทวาดาชั้นจ่าตุภาราชเทวาดาชั้นเนี่ยชอบลองคนแต่ว่าเขาจะลองแต่เฉพาะคนที่รู้สึกตั ว, วดีแล้วถ้าเรานี้ไม่มีความรู้สึกตั ว, วดีเขาก็ไม่ลอง การลองก็มีท่าทางต่างๆโดยมากก็มาใช้เฉยๆไม่มีอะไรมากแสดงตัวเห็นบ้างมยิงข้างหน้าบ้างมายิงข้างข้างบ้างยิงข้างหลังบ้างนั่งบ้างยืนบ้างเป็นต้นถ้าจิตเราดีไม่พอก็เริ่มกลัวถ้าตัวเขาก็หายไปหายไปแล้วไม่มาโกรธอีกเพราว่าเมื่ออะไรเราคิดว่าดีเมื่ออะไรก็มามานั้น ถ้าปกติท้าอาการเกิดขึ้นอย่างนี้เขามรดาแย่จนพุะตัวสัตว์ทุกคนจงจะคิดว่าท่านผีความจริงไม่ใช่ผีเป็เทวดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามทีสุธิมักท่านบอกว่าคนที่จเจริญกรรมฐานเข้าถึงอุปจารสมาธิก็จะมีท้ามหาราชองคใดองค์หนึ่งทรงบริวารของท่านหนึ่งองค์ซึ่งเป็นเทวดาเชนจตุมาราช มาคุ้มป้องกันอันตรายทุกว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่อาจจะมีผีมันหลอกก็ได้ยาสุนไพรมันหลอกก็ได้อย่างงี้เป็นต้นเทวดาองค์นั้นจะคุ้มครองไม่มีอันตรายบางทีเทวดาบางองค์ที่จะมาคุ้มครองท่านก็ไม่ให้เราเห็นบางองค์ท่านก็ให้เราเห็นดีไม่ดีก็ให้เราเห็นแล้วกลัวที่อีกท่กานหมออย่าจะมาเคยโดนครั้งแรก ครา้งแรกจะเดินกรรมฐ า, านใหม่ๆก็ๆวันหนึ่งลวงพป่ปนท่านบวงสวงจเจ้าพระพักของพระพุทธลูกปทิเขาบุกจังก็ถามท่านว่าเวลาเชิญจริงๆท้ามหาราชมาไหมท่านถามว่าเคยเดินกรรมฐ า, านแล้วเปล่าพอจเจริญครับไม่เคยเห็นท้ามหาราชไหมบอกไม่เคยเห็นท่าบอกเอ า, านี้ก็แล้วกัน คือสักวันหนึ่งฉันจะเชิญถ้าท่านจะมาแต่อยากเห็นองค์ไหนก็เห็นจะได้เห็นองค์นั้นแล้วต้องการเห็นทั้งสี่องค์ก็ได้ไม่ว่าเวลานี้จิตไม่สงบพอตอนเย็นรวาห้าโมงเย็นยก็บอกท่านว่าขอพบทั้งสี่องค์และองค์ใดองค์หนึ่งท่านถามว่าจะเจริยกรรมฐานเวลาเท่าไหร่เขาบอกว่าเวลาทีสองครับตีหนึ่งครึ่งผมตื่นคาว่าสึงนอนเสร็จกจะเริยกรรมฐาน ก็ขอบอกระบบเที่ยงตรงให้มาพบที่ตึก ท, ท, ที่พักอยู่ทั้งที่การนึกอยากเห็นแล้วไม่อยากเห็นใครรู้จักมั่นเฉพาะวิษวันคนเดียวใช่ไหมความจริงมไม่ไม่มั่นใจเราเราอยากเห็นเฉยๆคนก็พูดถึงท้าวิษวันองค์เดียวโดยเฉพาะก็บอกท่านเท้าวิวันบอกว่าเวลานี้เวล้คืนนี้เวลาตีสองขอพบท่านที่ตึกที่พัก เ็ื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้ามืดตีหนึ่งครึ่งล้างหน้าล้างตาเสร็จทำวัตตดตนเสร็จพราะเวเวลาจะเข้าถึงตีสองอีห้านาทีจะตีสองก็เข้าเตระสมาธิพอถึงตีสองตรงก็ปรากฏเห็นภาพลอยมาจากทิศเหนือนุ่งขาวห่มขาวถือไม้กระบองยาวจี่ก็มีความรู้สึกว่านั่นคือเทวสวุวรร แล้รูปร่างหน้าตากองท่านจริงก็คนธรรมดาแล้วเนี่ยไม่เีเชือไม่เชือหอกไม่เเชือกจะท่านตองเขียนนะมาถึงท่านก็ยืนที่หน้าต่างที่ท่านแค่คือเห็นไหมพอเห็นเขาจานนั้นอ่ะตัวคนลุกซ่าทำไงรู้ไหมแข็งใจพูดบอกท่านครูครับผม ข, ขอบคุณท่านครูที่อุต่ามาสงเราะส่ง ก, กลับได้ ท่านหเราะท่านถามว่ากาลัวทำไมล่ะว่าเชิญให้ว่าเพราะกลักวทําทไม้แล้วก็ท่านทําให้ไม่กลัวเพราะคุยอยู่พักหนึ่งนานถึงปีสี่ก็เล่าความไปมาต่างๆในความเป็นเทวดาของท่านให้ทราบเป็นเทวดาได้อย่างไงสมาธิมนุษย์ไปไหนมาเวลานี้เป็นเท่าเวสุวรรณก็ถามท่านบอกว่าที่เขาเขียนให้ไม่เขี่ยวเวลานี้ทำไมจะไม่มีเที่ยวท่านบอกว่า แจะเข้าวัดเราถอดเชี่ยวเก็บกัก่อนเจวดาก็หกเปเหมือนกันนะหมอถ้ า, ามีจริงๆริงเลือกท่านบอกไม่มีถ้าว่ามีเชื่วอวเขาเลยว่ามีส่งเด็กไปความจริงแท้เป็นเจดาที่มีความสดๆสดยงามมากนี่ต่อมาอีกสองคืนถึงเวลาจะเรียนกรรมฐานก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้าม า, าตังประตูขอญ า, า, าตโยมพุทธบริษัทโปรดทราบทุกคนนะ ว่าขนาดที่จเจริยกรรมฐ า, านนะผีหรือใครก็าตามทำทำอะไรจะไม่ได้เลยนะเขาจะเข้ามาใกล้ได้แค่หนึ่งวาวัดจะกตัวเราออกไปข้างหน้าหนึ่งวาข้างหลังนึ่งวาข้างๆหนึ่งว า, ข า, งข า, งงวาเขาจะเข้ามาใกล้ได้แค่นั้นเข้าใกล้กว่านั้นไม่ได้ถ้าเราทำอันตรายก็ไม่ได้ก็มีคนคนหนึ่งผมอยกักโศกผ้าทางแข็งแรงเจะอ้วนก็ไม่อ้วน เรื่องคนล่างกอนแล้วกันมาถึงปั๊บไปยืนกอดอกข้าหน้าในกาแดงถามว่าใครเ้าก็เฉยเขาไม่ตอบถามว่าใครมายืนที่นี่เ้าก็ไม่ตอบถามครั้งที่สามว่าใครก็ไม่ตอบให้เมื่อไม่ตอบบอกไปออกไปให้พ้นแต่ก็ไม่ไปเข <c oughs> าก็ไม่รู้จะทำยังไงวะบอกไปแต่ก็ไม่ไปสามไปพอไปที่สามจ้ต้องไป แกเดิไปสอนน้องกายจะหันมามองหน่ายแล้วไปอยู่ที่หน้าประตูถ้าอาตมาก็เจอคำปราถนาได้ไประโยชน์สว่างตอนเชา้าเวตาลพระปานถามว่าวันคืนนี้มีคนคนหนึ่งครับเข้ามาทําประตูผมหยิกหยิตนิดหน่อยยิกจักโศกหน้าตาก็ไม่น่ากลัวจะทําท่าห ย, ยิงเพราเลยขัดพระปานหัวเราชอบใจว่าไอ้คนฉลาดอย่างแกได้มันหายากจริงๆเลยคุณหมอ ถามทำมครับแม้่เถ้าเวสวรก็ส่งเทวดามาสงเคราะห์แกมาเฝ้าแกเสืกไล่พี่คาว่าฟ้องค่ะไหมเทวดานี่ปากบอดจังโรคโลกามองขอบเทดาญายมพุทธศวสัตุกคนจำไม้ด้วยนะว่าถ้าบังเอิญพบเห็นใครก็ตามมาในลักษณะนั้นให้ทราบว่านั่นคือเทวดาที่เทาราชส่งมาคุ้มครองเราก็เป็นเพรว่า นี่ตอนเธอปิตินะถ้าถึงฌานจะมองไม่เห็นก็เป็นว่าเราก็คุยกัแค่ฌานสมาบัติอันนี้ก็มาคุยกันต่อไปถ้าคุยแค่ฌา น, นนี้ยในสมมันก็น้อยในเมื่อเราทางสมาธิได้จะดูว่าสมาธิต้องอายสินเป็นสาคัญต้องมีสินเป็นพื้นฐานถ้าวันไหนสินบกพร่องวันนั้นสมาธิตก ถ้าได้ทุกปัญญาทีกปัญญาจะมัวหมองจะไม่แจ่มใสถ้าวันไหนสินดีวันนั้นทำทิพย์ความมรรคก็จะแจ่มใสสมาธิจะส่งถึงโดดีมากเปขอธรรมดาแต่เรื่องที่มีความต้องกัรว่า ท, ทําไมจิตจะไม่ตกก็ต้องทําตัวเท่าถึงความเป็นประโสดาบันประโสดาบันนี่เป็นของไม่ยาก เราจะเรียนสมาธิมันทุกคนเริยนสมาธิอยู่แล้วทุกคนมีความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์เาครเาครพขินห้า น, นี้อีกข้อหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดก็ได้คือว่าชีวิตเราต้องตายต้องเสริมอารมณ์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้มีความรู้สึกก่อนที่ภาวนาว่าชีวิตครานี้มันต้องตายแน่ แต่าตายชาตายเร็วก็วต้องตายกันแน่อจะอยู่ต่อกดตลอดสมัยแล้วไม่มีในเมื่อเราจะต้องตายเราก็ต้องหนีบปยปูนะันคือนรกเป็นต้นวิธีหนีไปพูนทางไหนต้นหนึ่งเขาเรีวกว่พระพุทธเจ้าเขารียกว่าธรรมเขาเรียกอวอริยสงฆ์อันนี้เราก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีสินห้าบริสุทธิ์สินห้าเนี่ยักสงสัยนะสินห้าท่านบริสุทธิ์ แต่คนรักษาจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ถึงสงสัยนั่นหมายความว่าถ้ามีศีลห้าบริสุทธิ์แน่นอนตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าเราไม่มีการละเมิดก็แสดงว่าเรามีความรา้พระพุทธเจ้าจริงประธานจริงพ้าที่จะสงฆจริงแล้วก็เราก็ไม่ไวว้ใจในชีวิตคิดว่ามันจะต้องตายและเมื่อเรามีความมีอารมณ์อย่างนี้หนึ่งคิดว่าเราต้องตาย แต่ตายแล้วไม่ยอมไปอบายภูมิขอยึธพระพุทธเจ้าว่าธรรมบ้าอิศงไม่ที่เพึ่อเอาสินห้าเป็นจะแพงกั้นอบายภูมิไว้ถ้าทรงอารมณ์ได้อย่างนี้ให้จิตใจของเรารักปณิพันธ์เป็นอารมณ์นี่มีความสำคั น, นจิตใจมุ่งจุดเดียวคือปณิพนันธ์แข่งเดียวคิดว่าถ้าตายเวลานี้พนนเพราะปณิพันธ์เราจะพาะไปไปที่อื่นเพียงเท่านีน้ท่านเป็นมโสดาบันยากไหม อย่ยากนะคนทำได้ไม่ยากคนทำไม่ได้ฟังก็ไม่ยากเพรว่าโสดาบันก็มีสามขั้นการที่พูดจีิงนี้เป็นขั้นสตากัดตุงเพื่อว่ามีมีบา ร, รมียังอ่อนถ้าโสดาบันมีอะไรบ้างความเป็นโสดาบันไม่หนักกระดาษแยกโยกบริษัทคนที่เป็นโสดาบันยังไม่ต้องแยกจากคู่ครอง พระศาแค่สินห้าคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พิ่มพฤติกามสี่ไม่พูดภาษาวาสห้าไม่ดื่มสุราเดเ ม, มไรและก็มีความเคารพพระพุธทธเจ้าการทรบ้าในประสงค์โดยเฉพาะไม่เรื่องความใจจิตใจต้องการพันธุ์ผ่านท่านพระโสดาบันคือชาว บ, บ้านชั้นดีแต่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้เข้าถึงความดีแล้ว เข้าถึงกะแสดต้อพัาานิพันธ์ยังไงก็ตามคนที่ถึงวุโสดาบันต้องบันิพัยกันแน่ถ้าจิตใจเขาบิดาแต่พุทธวสัตสามารถครองความเป็นวโสดาบันได้คําว่าเสื่อมเขาสมาธิจะไม่มีความทั้งเผอไปบ้างโมไปบ้างอาจจะมีแต่เสื่อมไม่มีจะไม่มีการถอยหลังเข้าคลองนั่นหมายความว่าการที่เดลเมิดสิบห้าไม่มีสําหรับเราอีก นี่เปรนปัสดาบัญขั้นแรกปัศสด า, านขั้นที่สองบารมีสูงขึ้นหน่อยหนึ่งระสโสดาบัญขั้นแรก่ยังมีบารมีอ่อนต้องเกิดอีกกดิจฉาชัดถึงจะไปนิพพานได้แล้วเป็นปัศสดาบัญญติขั้นที่สองคือสัตว์โกลังโกละท่านโมนีจะมีบารมีจะเกิดอิจฉาวิธีปฏิบัตินอกจากเห็นห้าแล้วท่านก็มีที่มีกำหนดสิบเข้ า, ขา เร่มด้วยทางตายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดกฤตการมทิ้งข้าจะมีแน่แล้วนะทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคาหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพราเจริเหลวไหลทางจิตใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัยก้องไข่โดยไม่ชอบทำถ้าไม่ปฏิบัติจองร่างจองฝายไข่โกรธแตยังโกรธอยู่แต่ไม่ปฏิบัติปฏิบัติจองร่างจองฝายไข่ที่ความเห็นถูกคือนอริยสัจ มีความรู้สึกว่าการเกิดเป็นในโลกมนุษย์เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความหิวกระหายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความท้าทายจาของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ถ้ายังเกิดยังตายอย่างนี้อีกก็ยังมีความเป็นทุกข์อยู่เราไม่ต้องการความเกิดไม่ต้องการไม่ต้องการความตายอย่างนี้เราต้องการนิพพาน แต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบับกกำบลดิสท่านยังต้องระวังต้องระวังเกรงกำบลดิจะขาดอย่างนี้เดียกกลัวลังกละต้องระวังอยู่ยังไม่แน่นยังไม่แน่นนักพระเสด็ดาบันทขั้นหนึ่งก็คือเอกวิชี <c oughs> เอกวิชีกับพระอัจฉริยาคารมีนีม่มีสภาวะเหมือนกัน นั่นคือเกิด อ, อีกชาติเดียวปัินี้ผ่านท่านเอเกอวิชีนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่ามีกำหรดสิบแน่นแฟ้นมากไม่ต้องระวังก็ไม่ขาดยังไงไก็ไม่เลิกหมายความไม่เผลอไม่ให้เผลอไม่ทําให้กำหมดสิบจะเสียหน้าขาดอันนี้ท่านเอเกหรเอกวิชีนี่พูดกันตามแบบเขาบอกว่าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วนางฟ้าหรือผมชาติหนึ่ง ถ้ากลับมาเกิดเป็นคนเป็นพระอรหันต์นี่ว่าการตามแบบนะแต่ว่าถ้าสมัยนี้ทับนดาญาติโยมพุทธบริษัทคนใดมีจิตใจมุ่งหวังพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าว่าท่านเป็นพระโสดาบันก็ดีเพื่อยังไม่เป็นพระโสดาบันก็ตามพยายามมีความเคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้มั่นงคงเพื่อเพความตายให้เป็นปกติว่าชีวิตมันต้องตาย เพราว่าถ้าตายอะไรขอไปนิพพานเหมืนนั้นจิตใจรับผลิตภัณฑในอารมณ์ทั้งแม้ว่าศีลหรือกบฏจะบกพรองบางอยตามถ้าจิตคิดอย่างนี้อยู่ตายแล้วไม่ลงอภัยภูมิแน่ก็ไปสวรรค์ถ้าไปสวรรค์แล้วภายนั้นไม่ช้าแค่บิเกิดบุญสมบัติเช่ดาวดึงเทวดาและนางฟ้าเช่นดาวดึงนี้ม่อายุพันปีทิพย์จะมีอายุสินด า, ด, าดึงไม่ถึงสามร้อยปีทิพย์ ถ้าชี้อายก็จะตัดไปโบตจ้าตอนนั้นขณะที่ท่านเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ฟังเทศเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ให้เขาเป็นได้ยากยิ่งวิวัฒสทั้ ง, ยยงโฮโฮหลายจงอย่าคิดว่าคนอย่างเราไม่มีบุญถ้าไม่มีบุญจริงๆยากยิง่งเท่าไหร่มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทนไม่ได้เพราะมันเหนื่อยมันเมื่อยขีดข้างเหยียดขาก็ไม่ออก นั่งก็ลำบากแส่ลำบากแย่ใาสายบุญบา ร, รมีเก่าของท่านดีมากยังสามารถมาทนนั่งอย่างนี้ได้และตั้งใจโดยเพราะว่าเราต้องการบุโบุญนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้พูดเรื่งประโสดาวันและวั น, นิภัยถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแา่บุคคลยังแต่คนใดจะต้องเกิดถ้าที่อ่านท่านเคยมาฝากไว้ะบอกว่าคนของผม อยู่ในระหว่างของท่านหลายแสนคนคนที่จะเกิดทันสมัยท่านน่ะมาเป็นบเมมาด้วยกันนะประมาณสามแสนคนผงฝากด้วยขอยทุกคนรักษากรรมสิทธิให้ครบถ้นทุกวันถ้าเป็นการบังเอิญครบถ้นทุกวันไม่ได้วันโบติบกข้องบังกตามแต่ว่าวันพระอย่ากให้บกข้องวันพราต้องเต็มอย่างนี้คนผู้นั้นจะเกิดทางสมัยผม ถ้าฟังเทศเพียงครั้งเดียวถ้าอย่างอ่อนก็ฟังเทศครั้งแรกก็ไปประโสดาบันถ้ า, ารกักษากระดูกศิษย์กบค้นได้ตลอดวันทุกวันทั้งวันดีวันพระอย่างนี้ฟังเทศจบยังจะเป็นพระอรหันตันทีก็ลมความว่าบรรดาแยกจดพุทธวุฒิสัตว์ายโดยตัวหน้าที่มันนั่งตรงนี้วันนี้ทุกคนก็เป็นคนมีบุญคนเก่าทำมาแล้วมากยังสามารถมานั่งได้ ต่อไปก็ตั้งหวังว่าโดยเฉพาะว่าเราต้องงานพระนิพานธรรมดายาโยพุทธวิสัณฐานเชียงก็ไปไม่ไหวเพทุกท่านตั้งใจสมาทานสี่งที่มาตามกรรมฐาน